บันนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะใ่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้บรรยายเรื่องอายตนะคือเวลาตาเห็นรูปฟังเสียงเปิดตน้นแล้วมีกิเลสข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งในที่นี้ทรงเน้นไปที่กิเลสประเภทที่เรียกว่าสังโยชน คือกิเลสซึ่ผูกใจสัตว์เอาไว้ตามปกติแล้วความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนี้หรือกิเลสในระดับนี้จะสงบอยู่ภายในจิตใจของบุคคลที่ท่านอุปมาเหมือนตะกรอนนอนอยู่ใต้ก้นภาชนะข้างบนน้ำก็ใสสะอาดดใีใช้ดื่มได้แต่ถ้าใครไปเขย่าภาชนะตรงนั้นเข่า แต่แรงแรงแตะกอดมันก็ขึ้นมาได้ทันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะมันจะมีความใหญ่มีความแข็งแรงปริมาณน้ำมากน้อยแค่ไหนเพียงไรซึ่งเป็นเงื่อนไขารายละเอียดที่แต่ละคนถ้าลองสังเกตถิตใจของเราเองก็จะพบว่าแม่เราเองก็มีลักษณะอย่างนั้นยังยกตัวอย่างเช่น มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนโน้มน้าวจิตใจให้เกิดมีความต้องการปรารถนาอยากได้อยากครอบครองสินค้าตัวใดตัวหนึ่งในท่ามกลางคนที่ได้ยินได้ฟังข้อความที่มีการโฆษณาเหล่านั้นก็ฟังเหมือนกันทุกประโยคและได้เห็นตัวอย่างด้วยกันแต่ถ้าคนเหล่านั้นมานั่ง สอบถามความรู้สึกของตนที่มีต่อสิ่งซึ่งนำมาโฆษณานั้นก็เห็นว่าในกลุ่มของความอยากได้เองบางคนไม่อยากได้มากอยากได้น้อยหรือได้ก็ได้ไม่ได้ก็เอาบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆบางคนอาจจะรู้สึกปฏิเสธหรืออาจจะรู้สึกต่อต้านได้ซ้ำไป นันก็แสดงเห็นว่าอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความอยากด้วยกันแต่พื้นฐานน่าจิตใจของบุคคลแตกต่างกันตัวนองภาชนะที่บรรจุน้าโดยระยะที่กล่าวแล้วภาชนะใหญ่น้ามากแม้จะมีการเขยา่าแต่แรงไม่มากตะกอนมันก็ไม่ขึ้นมาทางต่างดินแง่ความจริงก็มีตะกอนพันจิตใ จ, จของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้น เวลากระทบอารมณ์ไม่ได้ไม่ใช่ข้อยุติว่ากิเลสจะต้องเกิดขึ้นบางคนอาจจะเกิดธรรมะขึ้นมาด้วยซ้าไปด้วยตัวอย่างที่เคยนำมาเล่าในกรณีต่างๆเราก็พบว่าบุคคลในยุคสมัยพุทธกาลมันก็เหมือนกับบุคคลในยุคของเราเพียงแต่ว่าพื้นฐานแนวโน้มความสนใจของคนในยุคนั้น มันเป็นยุคของสำนวนทางวิชาการเ็าเรียกว่ายุคอูวัฒนธรรมโลกเป็นยุคศาสนาและศิลธรรมในส่วนต่างๆของโลกก่อนนั้นร้อยปีหลังจากนั้นร้อยปีก็เรียกว่าสามร้อยปียุคปุตตการหนึ่งรอปีเป็นยุคสมัยที่มีการศึกษาค้นคว้าในด้านจิตวิญญาณสูงระบบคอนสอนที่เป็นศาสนาระบบที่เป็นปรัชญา ที่นำสืบศึกษากันมาจนถึงปัจจุบันเกิดขึ้นในยุคนั้นเพรา ะ, ะนนคนในยุคนั้นมักจะมองอะไรในแง่ของธรรมะแล้วจะมีสติรู้เท่าทันถึงสิ่งเหล่านั้นได้เร็วเข้าใจปัญหาต่างๆได้เร็วถ้เราเทียบเคียงลยคล้ายๆกับเด็กสมัยนี้เด็กในยุคนี้เห็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พวกคอมพิวเตอร์พวกเกมกดอะไรๆๆต่างๆ เพรเด็กกกมีความสนใจมีความเข้าใจมีการรับรู้เรื่องนี้มาอยังต่อเนื่องผู้ใหญ่เราซื้อมาอาจจะต้องมาศึกษาวิธีใช้อ่านแค่ตลออกต่างๆอยู่นานก็อาจจะทำเป็นเด็กแ็มองไปมองมาแ็ทำได้แล้วนั้นแสดงเห็นความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องเรารู้หลายๆเรื่องที่เด็กไม่รู้ เด็กก็รู้หลายๆเรื่องที่เราไม่รู้หรือรู้ไม่เท่าเขามันขึ้นอยู่กับความสนใจความของยุคสมัยแนวโน้มของยุคสมัยลักษณะก็คนยุคนั้นเป็นยุคสมัยที่เรียกว่าสนใจธรรมะมา ก, ก, มากเพราะอารมณ์ที่มากระทบบางครั้งบางคราวแม้จะมีการปรุงแต่งเสียสวยหรูงดงามแต่พื้นฐานอัจฉริยของท่าน มันเหมือนกับปริมาณธรรมะที่มีอยู่มากหรือ ป, ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในภาชนะมากมีเป็นอันมากที่เขย่าแล้วตะกอนไม่ขึ้นมาทั้งๆที่มีตะกอนเราจึงพบว่าท่านเหล่านี้เวลาพระเจ้าไปสอนก็สอนต่อยอดก็คล้ายๆกับคนที่จบปัญญาตรีมาแล้วก็มาถึงก็ต่อโทรได้เลยพื้นฐานจิตใจที่มีการศึกษามีการพัฒนามาก็มีลักษณะอย่างนั้น ดังนั้นถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งโดยเช่นว่าในขณะในกรณีที่ตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วท่านบอกว่าถ้าสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นแล้วท่านเรียงมาตามลำดับแนวการเรียงสังโยชน์นั้นที่จริงจะเรียกชื่ออย่างไงก็ตามสังโยชน์ก็คือกิเลสประเภทโลกโลกรธหลงนั่นเองเมื่อเราเกาะกลุ่มเราะเจตว่าพวกโลนี้เมื่เกิดขึ้นภายในใจนี่กระแสนหนึ่ง มันจะปลุกราวให้เกิดความกระสันอยากในอารมณ์รสนั้นต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นแต่ยังไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็มีการไขว่คว้าปรารถนาสแสวงหากันด้วยวิธีการต่างๆถ้าเกิดความอยากมันมากและคุมความอยากไว้ไม่อยู่บนทิศทางการสแสวงหานั้นเองจะมากไปด้วยเวรภัยอันตรายจนถึงก็มีการเข็นฆ่าล้มตายกัน กลายเป็นศึกสงครามแย่งชิงบ้านชิงเมืองแย่งชิงคนแย่งชิงทรัพย์สินซึ่งก็เป็นภาพที่ปรากฏในสถานที่ต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นแสดงเห็นว่าพื้นจิตใจของบุคคลเหล่านั้นมีลักษณะอ่อนไหวไปในสายของความอยากและไม่อาจที่จะหยุดความอยากไว้ได้มีการโฆษณามีการกระตุ้นเร่งร้าที่ท่านใช้คําว่ามีการยั่วยุนด้ดยวยวิธีการต่างๆ จิตใจก็จะฟูขึ้นแล้วก็จะเสียการทรงตัวแล่นตามกระแสความอยากที่มีการปลุกราวกันในสุขต้องใช้ทุกวิธีอย่างกติไทยเอามาพูดว่าไม่ได้ดูเล่ก็เอาด้วยคนไม่ได้ดูมนก็เอา้วยคัถาก็แสดงว่าเพราะความอยากมากขึ้นมาโมหะมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาวไวา้บ้าก็จะไม่คิดเหตุผลอะไรขอเพียงแต่ได้เท่านั้นเอง บางคร บ, บางคามันก็กลายเป็นปลาที่ติดติดเบ็ดหรือว่าติดที่เขาดักกวางเอาไว้ลักษณะของภาพสัตว์ที่ถูกดักถูกติดติดอวนติดแท้ติดอะไรต่อไมีอะไรต่างๆที่ก็ดักเอาไว้เราะจะเห็นทั้งอาการของความโลภอาการของความหลรอาการขาดสติของคนของสัตว์เหล่าดนั้นแล้วก็ตกเป็นเครื่องมือของบุคคลอื่น เรอยากอยากได้แล้วก็ได้มันแล้วแทนที่จะสงบมันไม่ยอมสงบใจก็จะกระสันอยากต่อไปในขณะเดี ย, ดยวกันก็มีความห่วงใยมีความหวงมีความห่วงอยู่ในเรื่อ ง, งตอง่างๆมีแต่กังวลกลัวภัยกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ตนเป็นเจ้าของครอบครองอยู่แล้วก็ยึดถือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยตั้งๆต่ ท, ที่เรารู้ว่าเราก็ไม่เป็นเจ้าของจริงๆ แต่พระกิเลสประเภทนี้มันมีมากเมื่ความโลภมันมากความหลงก็มากความหลงมันมากพร้อมที่จะกโกรธมากๆเพราะเราจึงเห็นภาพว่าบางเรื่องคนที่โลภโลภ จ, จัดจัดแต่จะโกรธจัดเร า, าไม่อาจจะต้องไม่จะเป็นจะต้องศึกษาถึงคนก็ได้เราอาจจะดูหมูที่กินอาหารในรังเราเห็นว่าหมูตัวใหญ่มันต้องการกินมากามันโลภได้โลภอยากได้มาก เวลกินอาหารในรางแทนที่จะกินตรงที่ปากของตัวเองอยู่จะไม่กินจะไปแย่งกินของคนอื่นก่อนแล้วจะดันจะขับไล่ตัวอื่นออกไปจะกินตรงนั้นหมดแล้วในที่สุดก็มากินของตัวเองไอ้ของตัวเองที่ที่ยังไม่กินเพื่อนก็กินไม่ได้แต่อของคนอื่นที่จะกินเขาก็กินไม่ได้แล้วก็กลายเป็นการเบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นภาพของความอยากที่เป็นโรจักอิมปรากฏออกมาเป็นรูปแบมให้เห็น บางครั้งที่สรงแสดงไปรูปของเปรตที่ปากทะรูเข็มทองทะผูกเขาเราก็เห็นชัดเจนว่าทำกินยังไงก็ไม่อิ่มเพราะอาหารเข้าไปนั้นจะรู้สึกว่าน้อยตลอดแต่ถามม่นน้อยจริงหรือเปล่าก็บอกไม่แน่อาหารขนาดนั้นถ้าตัวเล็กมันก็กินไม่เท่าไรมันก็พลอยถ้าพอดีท้องมันใหญ่มทมเท่าไรก็ไม่รู้จักเต็ม เพราะสิ่งเหล่านั้นในขณะที่ดูแลหวงแหนรักษาในขณะที่แสวงหาในขณะที่ครอบครองในขณะที่ของหายมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นแต่เพราะเหตุผลสติปัญญาถูกบิดถูกปิดบังไว้ด้วยอวิชชาซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อสุดท้ายเลยว่าสังโยชน์ทั้งหมดที่จริงก็สืบเนื่องมาจากข้อสุดท้าย อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตและท่านทั้งหลายฟังว่าจริงๆเรื่องมันไม่มากแต่มากนั้นก็คือกิ่งก้านสาขาของสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นในแง่ของกระบวนการธรรมะที่เป็นกุศล อ, อกุศลแล้วก็มีสองตอน้นสองรากแต่นั้นเองที่ท่านใช้คําว่ากุศ ล, ลมูลกับ อ, อกุศ ล, ลมูลมูลก็คือราก อ, อกุศลละมูลก็คือรากรากฐานของความโง่ความเขราว่ามไม่ฉลาด มันก็มีวิชาเป็นรากใหญ่แต่กิ่งออกมาเป็นอาการของความโลภยคว้วอย่างที่กล่าวแล้วในความโลภนั่นเองมันมีนมความหลงผลอยู่ตลอดและในความโลภหลงนั่นเองถ้าลองสังเกตดูจิตใจของเรามันมีความโกรธแฝงอยู่เช่นของเรารักโลภหวงหว ง, หวงออมากจนขนาดว่าจับต้องไม่ได้ขนาดคนมองดู ใกล้ๆเนี่ยเราชักไม่สบายแล้วมองก็ตาเขียวแล้วพอเขาจับเา ก, ก็โกรธ ท, ทันทีนั้นแสดงว่าโทสะก็รออยู่ที่พร้อมจะระเบิดทั้งๆในอาการตรงนั้นที่จริงเป็นอาการของโลภะกับโภคากิเลสแกก็ปนเปรกันอยู่อย่างนี้อยู่ภายในจิตใจเราตลอดค่อยๆก็เกิดแก่ตายก็ดแก่เจ็บตายมันอยู่กับความเกิด มันมากับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการร่าเรางจริงๆมันมากับความเกิดมันก็แฝงเร้นพร้อมที่จะแสดงตัวตลอดกิเลสเองก็จะมีลักษณะอย่างนี้นในส่วนของกุศลลมุตมันก็มาจากรากเดียวคือวิจารคนเราถ้ารู้แล้วนี่จะไม่โลกรู้แล้วจะไม่โกรธรู้แล้วจะไม่ลง แม้แต่รู้พอธรรมดาพอสมควรก็คุมโลคคุมกดคุมตรงได้อย่างการที่ท่านสาชนทั้งหลายอยู่ในกรอบของศีลกรอบของธรรมมากจะถามไม่รู้หมดทุกย่างก็รู้ไม่หมดอะกิเลสหมดทุกย่างก็ยังไม่หมดมันยังมีแต่ว่าคุมไว้ได้เพราะอะไรเพราะความรู้คุ้มครองตัวเองได้ระดับหนึ่งถ้าไม่แรงเกินไปก็ไม่สูญเสียการทรงตัวแต่ถ้าแรงมาก บุคคเราถ้าไม่ใช่พระโสะดาบันขึ้นไปแล้วนี่ก็แข่งทางนั้นเพียงแต่ ว, ว่าไม่เจอดีกันนั้นเองเพราะฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติท่านจึงไม่สโสดหวังใจว่าพอแล้วกุศลนี่เราทําความดีท่า น, นี้พอแล้วที่จริงมันไม่พอจึงทรงสอนในรูปหนึ่งว่าอย่าสันโดดในกุศลธรรมต่งางๆ ดังนั้นให้ลองสังเกตว่าคำว่าสันโดษนั้นจะพูดเรื่องวัตถุและจะเน้นไปที่ปัจจัยสี่แต่จะไม่เน้นที่ตัวกุศลธรรมเกุศลธรรมไปสั น, นสโดษไม่ได้เมตตาธานี้พอแล้วขยันธานี้พอแล้วสติธานี้พอแล้วปัญญาทธานีพอแล้วไม่ได้ต้องเพิ่มให้มากที่สุดเพิ่มไปเรื่อยเพราะแนวของสังโยชน์ เราจะเห็นได้ว่าอีกด้านหนึ่งมันก็คือการเพิ่มขึ้นของธรรมะเป็นการเพิ่มขึ้นของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ไม่ถฉึงก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงชีเดียวเพียงียวความโลภมันลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงแต่ในสังโยชน์ข้อแรกที่ประโสดาบันทัานถ่ายถอนออกไปที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตน มีตัวมีตนแล้วกระจายความคิดออกไปหยาบกลางละเอียดวิจิตพิสดารถ้าศึกษาเฉพาะเรื่องนี้จริ ง, รงๆก็ต้องเขียนออกมาเป็นหนังสือเป็นเล่มว่ากันละเอียดจะเกิดที่จริงไม่ไม่ไม่มีอะไรมากคือเป็นรายงานถึงสภาพจิตสภาพจิตที่มีความรู้สึกต่อชีวิตของเราเองมันจะมีคําถามวิ่งไปตลอด ตอบตรงนี้ได้เอา้ามันก็สงสัยต่อไปจะมีคำถามอะไรอย่างไรทำไมเพราะเหตุใดเมื่อไรที่ไหนก็จะตั้งคำถามไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเราก็หาคำตอบไม่ได้อย่างยกตัวอย่างคติธรรมดาของชีวิต ในระดับของการเวียนว่ายตายเกิดหมายความเราเชื่อว่าคนเราตายแล้วเนี่ยตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเกิดอีกคล้ายๆอย่าไม่สงสัยตัวแสดงว่าตรงนี้เราไม่สงสัยในแง่ของกรรมเราไม่สงสัยในแง่ของสังสารวัตรคือมีการบุนบนอยู่ในสังสารวัตรเลยถามวาหมดความสงสัยะอะไรยางก็อยังเพราะอะไรเพราะเราจะสงสัยต่อไปว่าเออก่อนจะมาเกิดในชาติเนี้ยเราเคยเกิดมาเป็นอะไรก่อน มีความสุขสมมุติว่าใครตอบได้แล้วมีความสุขความทุกข์ยังไงมีรูปร่างหน้าตายังไงมีฐานะทางครอบครัวเป็นยังไงมีลูกกี่คนมีพ่อแม่เจออะไรก็ถามกันไปวิจิตพิสด า, ารสุดปลายเหตว่าจากคาถามเราเนี่ยบางครั้งมันถามพิสดารนักเกินพระเจ้าก็ต้องเทศออกมาเรื่องยาวๆอย่างเรื่องพระเวสสันดรชาดกเป็นยาวมากที่สุดในบรรดาชาดกห้าร้อยห้าสิบเรื่อง ทำไมเพราะคำถามนะมันถามพิสดารถามถึงความเป็นมาความความความเป็นไปถามถึงเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะในชาตินั้นเป็นปรากฏการณ์ของบุญญาธีการบารมีธรรมที่ทรงสะสมอบรมไว้มันไม่มีใครที่จะตอบได้ถ้าไม่ปูพื้นฐานกันมาก่อนเพราะขนโบกรพัท์ที่ตกลงมามันตกมาเป็นสีเหลือง และตกเฉพาะคนถูกเฉพาะคนที่ให้ถูกเท่านั้นเองให้เปื้อนดันให้ให้ถูกฝนนั้นเองใครไม่ต้องการให้ให้ฝนตกรถก็ไม่ตกหรถเรียกว่าภาษาธรรมดาก็คือเป็นไปไม่ได้นีการจะแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้อย่างไงมันก็ต้องเท้าความยาวเยียดออกไปเทศกันปลายชัมม่วโมงกว่าจะจบลงไปได้ ถึงการนำประเทศในปัจจุบันเราจะเห็นว่าใช้เวลานานมากนั้นก็แสดงเห็นเรื่องคำถามว่าคนเราจะมีความสงสัยไปเรื่อยในเรื่องเดียวกันนั่นแหละแม้ในชีวิตของเราเราก็สงสัยอยู่ทุกวันสมมติว่าตอบตัวนั้นได้แล้วเราก็ตั้งปาญหาถามต่อไปอีตายแล้วจะไปไหนเอาเราสิก็ต้องพูดเรื่องนรกสวัส์เอานารกสวร์มีจริงหรือไม่เอามีจริงอยู่ยังไงมีสุขมีทุกข์ยังไง มีความแตกต่างกันยังไงทําไมยังตกนรกชาติ น, นั้นตกนรกชาติ น, นี้ก็ว่ากันไปละเอียดอีกล้ถามตัวนี้ก็ว่ากันหลายวันนี้สมมติว่าตอบได้นะจะถามมาตายเมื่อไรเอาอีกละยุ่งอีกละนี้คือเราจะเห็นว่าจะมีคําถามตามมาเรื่อยเป็นเรื่องของชีวิตที่เรายังไม่มีความรู้ตลอด เพราะในเรื่องของความเป็นตัวเป็นตนก็เหมือนก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเศษโดยสิ้นเชิงว่าไม่เป็นตัวเป็นตนแต่เป็นการพูดในสองระดับระดับหนึ่งเรวเรียกว่าสมมติสัจจะคือเป็นความจริงอย่างสมมติยอมรับความเป็ตัวเป็นตนเราได้ยินพุทธธรรมัดรัดเรื่องตนเป็นอันมาก เช่นอัตยิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนี่ชาวพูดคุณคุณจงเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนจงสวดตนด้วยตนจงรับผิดชอบตนด้วยต น, อ ย, น, อ, น, อ, นอย่าสนใจเรื่องของคนอื่นจงส่ใจเรื่องของตนจงทําประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นในสมบูรณ์ในความไม่ประมาทได้ไหมตอนสรุปสุดท้ทายยังบอกเลยตนก็แสดงว่ายอมรับความมีอยู่ของตน ในฐานะที่เป็นสิ่งสมมติในชั้นนี้จึงพูดการระดับศีลธรรมจัรญาระดับพัฒนาจิตใจคนคนจะถ่ายถอนตัวนี้ออกไปได้จริงๆได้หมดจริงๆเนี่ยมีเฉพาะพาาระอรหันต์เท่านั้นเองเพราการถ่องระสดาบันที่จริงก็ตัดเฉพาะสกายติจิที่ความเห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เป็นเราเป็นเขาแรงๆแต่นั้นเอง ทังในจุดนี้จะมีการสอนในรูปที่เรียกว่าพัฒนาตัวเองให้เรียนรู้ให้เข้าใจตัวเองในระดับต่างๆในชั้นแรกก็คือการพัฒนาตัวเองทำยังไงจิงจะพัฒนาก็ได้ก็ส่งเพิ่มตัวปัญญาเข้าไปแต่เริ่มต้นที่ตัวแต่ความจเจริญเติบโตของคนเรานั้นเราไม่ได้ คนเดียวคนเดียวเกิดอยู่ในโลกคนเดียวแต่ว่ามันเป็นคนของคนหลายหลายคนเป็นลูกของพ่อของแม่เป็นหลานของปู่ย่าตายายเป็นน้องของพี่เป็นพี่ของน้องเป็นญาติของญาติมันก็เป็นอะไรของใครอยู่เยอะแต่ในชั้นแรกจะสอนระดับให้รู้จักตัวเองให้รู้จักว่าเรานเป็นใคร มีภาระมีหนา้าที่อย่างไรที่เรียกว่าอัตตันยุตาคือรู้จักตัวเองให้เข้าใจสถานะตัวเองในขณะนั้นในจุดนี้เองก็จะรู้หลายระดับพูดถึงระดับศีลธรรมจัญญามองไปในจุดของการเชื่อมต่อเราเป็นใครเป็นนายก or นายขอก็ออรู้ไป มีพ่อแม่ื่อไงก็รู้จักพ่อแม่หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่เป็นยังไงมีพี่มีน้องเป็นยังไงมีเพื่อนเป็นยังไงก็ปฏิบัติในแนวของชีตโถเราจะว่าทั้งหมดที่จริงเป็นเชื่อมโยงตนกับคนอื่นก็แสดงว่าแต่ละฝ่ายก็มีตนแต่เป็นการปฏิบัติกระทาในลักษณะที่เกื้อกูลต่อตนและบุคคลอื่น ตรงนี้เป็นระดับครองเรือนครองสุขเป็นระดับศีลธรรมจัน ญ, ญาแต่ในขณะเดียวกันตนของบุคคลแต่ละคนก็ต้องมีความรับผิดชอบทำยังไงจะคุ้มครองตัวได้ดีก็จงจำแนกแสดงไว้โดยในยาต่างๆุัวร์ใจว่าธรรมะเหล่านั้นที่จริงแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มีธาตุมีเชื้ออยู่ภายในใจเรา ระดับนี้เราจึงพบว่ามีอยู่ทุกแขลงในศาสนาต่างๆก็มีทั้งนั้นเพียงแต่ว่าใครจะสอนได้กระชับรัดกลุมมากกว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าแต่ถามวมามีตนไหมก็มีตนเรียบร้อยแต่ว่าให้รับผิดชอบตนเองให้พัฒนาตนเองในแนวที่เรียกว่าตั้งตนเองไวในต่างที่ชอบ ซึ่งวนนี้่านสาวชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าแม้ในมงคลสูตรซึ่งเป็นระบบคำสอนที่นักปราชญ์ทั้งหลายก็ทึ่งมากหมายความพุทธศาสนาเอามงคลในสูตรเดียวสอนก็พอแล้วสอนรวดเดียวสอนครั้งเดียวจบเนื้อหาทั้งหลายจบหมดไปสรุปไว้หมด แต่เราจะพบว่ามันมีภูมิหลังมีสิ่งที่เป็นอยู่เบื้องหลังของการที่ชีวิตของคนจะเข้าสู่กระแสของมงคลได้คนจะต้องมีพื้นฐานที่เรียกว่าปุเพกตะปุเญยญตาคือมีบุญที่ได้เก็บได้สะสมสร้างเป็นพื้นฐานลักษณะนิสัยอัตยศัยเอาไว้ในอดีตการ ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าให้เราสังเกตดูว่าสภาพที่เรียกว่าใกล้เกลื่อกินด่างมันก็มีอยู่กระจายทั่วไปบางทีอยู่ในวัดนั่นเองแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากาศาสนาไม่ได้รับประโยชน์จากวัดอยู่ใกล้วัดบางทีก็ทําบาปมากกว่าคนอยู่ใกล้วัดเป็นต้นนี่ก็แสดงให้เห็นถึงสภาพของใกล้เกลื่อกินด่างหมายความว่ายัางไงพื้นฐานบา ร, รมีธรรมบุญที่กระทำถึงสร้างลักษณะ น, นิสยัยมันไม่มีพอ ปัจจุบันเองก็ไม่ได้เพิ่มปูนสะสมขึ้นมันก็กลายเป็นอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไก ล, ยกลยอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลลักษณะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญพื้นฐานบารมีธรรมที่เราเก็บสะสมเอาไว้ที่เรา บ, บุญเรื่องทำไว้ในการกอด น, นั้นเป็นประการสาคัญมันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ส่งให้มาเกิดในตระกูล ที่เรียคติสมบัติคือสมบูรณ์ในคติคือสถานที่เกิดตระกูลที่รุกเกิดพ่อแม่มีพื้นฐานปลูกฝังสร้างลักษณะนิสัยมาพ่อแม่เป็นสมาชิกติดใ้การฝึกปรืออบรมสั่งสอนสร้างแนวโน้มอัตยาศัยในเรื่องตรงนี้แม้แต่ในเมืองไทยเองถ้าเราสืบสาวพวกกลุ่มคนที่เป็นอุบาสกบัณิกาดูแลศาสนาอยู่ในทั่วประเทศ หรือแม้แต่พวกพระที่ดูแลพระศาสนากันมาต่อกันมาตั้งแต่อดีตกเราแ้สาวไปจะเห็นว่าเป็นเชื้อสายเป็นตระกูลที่ต่อกันมาเป็นแถวจนมีวัดประจําสกุลบรรดุในอดีต ท, ท่านได้สร้างไว้สร้างลักษณะนิสัยลูกหลานเราต่อกันมาเรื่อยตัวเองมีพื้นฐาน มีพื้นฐานของบุญที่สร้างลักษณะนิสัยมีพื้นฐานของบุญที่ทำให้เกิดในคติในภพที่ดีก็ทำให้มีสุขภาพพรานามัยดีทั้งกายทั้งจิตดีรูปร่างหน้าตาดีมีสุขภาพพรานามัยแข็งแรงกายก็เอือ้อจิตใจก็เอือ้ออยู่ในยุคสมัยสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลที่ตั้งใจกับว่า <c oughs> ปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศ สถานที่ที่เหมาะที่ควรที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติพัฒนาจิตใจมันมีเป็นสภาพแวดล้อมจากลักษณะ น, นิสัยที่ไม่ครบคนภายในครบบัณฑิตให้บูชาผู้ควรบูชาแล้วก็แม้ในอนดีตเราอาจจะเกิดมาในสถานที่ที่ไมนดีแต่เพราะมีการปึกปรืออบรมพระก็ผ่านสมาคมกับบัณฑิตก็ทำให้เราแยกแยะ ก็มีการเคลื่อนย้ายมีการปรับเปลี่ยนสถานที่อยู่ของตัวเองหรือบุคคลที่ก็ผ่านสมาคมเกี่ยวข้องจนสามารถตั้งตนไวในทางที่ชอบได้โดยเฉ า, าปัใจจัยในอดีตมันก็มีอดีตไกลคือชาติก่อนไม่อดีตใกล้คือชาติปัจจุบันสิ่งตรงนั้นที่เราพูดว่าสิ่งแวดล้อมก็คือคนกับสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ถ้าคนเราได้ครบทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการขึ้นกุลทุกลำดับทุกขั้นตอนมีตัวมีตนเรียบร้อยมีเรามีคนอื่นแต่ก็ยอมรับนับถือสถานะของกันและกันพอมาจุนตัวเองเราจะพบธรรมะที่เจาะจงตัวของคนแต่ละคนแล้วก็แพ่ออกไป อย่างยกตัอย่างง่ายๆเช่นนิริตตปะเป็นพื้นฐานจิตเป็นมโนธรรมของคนมีคนตั้งปัญหาถามว่าอิริตตปะระดับใดที่เป็นเป็นเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาระดับใดที่เป็นโลกกปรารธรรมคำว่าโลกกปาาธรรมนั้นคือคุ้มครองทั้งสัตว์โลกทั้งสังขารและโลก ท, ทั้งพื้นโลกทั้งปวงมันคุ้มครองได้ หมายความว่าแต่ละคนมีพื้นฐานนิริอัตปาอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นเทวธรรมคือใจเป็นประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐด้วยตัวของตัวเองแต่ละคนแต่เมื่อเมื่อเมื่อบุคคลแต่ละคนมีริเป็นพื้นฐานใจระยับยั้งชั่งใจหยุดตัวเองเอาไว้ไม่ให้กระทำบาปแต่ละคนก็งดเว้นบาปลายบาสะดุ้งกลัวต่อบาป ท, ทุกคนปฏิบัติเหมือนกัน คนจะอยู่สักกี่ร้อยล้านกี่พันล้านคนก็ตามจะไม่เบียดเบียนกันในส่วนนี้แต่แน่นอนโลกมันเล็กเกินตะโกนมากเกินไปประชากรล้นโลกที่เราเรียกว่าระเบิดประชากรมันก็มีปัญหาในส่วนอื่นแต่ปัญหาระดับศีลธรรมตราบใดที่จิตใจยังมีฮิริอตุตระปามีความมั่นคงร่าแข็งพอคนประเภทนี้ถึงจุดหนึ่งยอมสละชีวิตไม่ยอมละทิ้งธรรม นั้นก็หมายความว่าโลกได้รับการคุ้มครองธรรมะนี้จึงเป็นส่วนของปัจเจชะชนแต่ละคนเป็นระบบที่ปฏิบัติและพัฒนาจิตใจกันตัวเองให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ด้วยการสงบภยัยสงบเวรสงบอันตรายเอาไว้ต่อจนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบส่อ